ภาษาไทยทำสวดมนต์ไหว้พระก็สวดแปลภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ใช้เวลาพอสมควรใช้เวลามากเกินไปก็เป็นพี่กรรมสำคัในการปฏิบัติธรรมถ้าใช่ไม่เป็นตัวนมนธรรมดาอัทุทั่วไปเขาไม่แปลเสด็เป็นภาษาบาลีสิบนาทียี่สิบนาทีก็จบไปแล้วเพราะเราออก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 มีสติทั้งนั้นเรานั่งอยู่มันคิดจะลุกก็อย่าเพิ่งไปลุกกับความคิดอย่าให้ความคิดมันสั่งเดินอยู่มันคิดจะนั่งก็อย่าให้ความคิดมันพานั่งให้ความรู้สึกตัวพยายามเอาวามรู้สึกตัวออกหน้าออกตาแม่มีอะไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งครามรู้สึกตัวก็จะมีอำนาจมีบทบาท ถ้าเราให้โอกาสความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็แสดงความเป็นธรรมเนียมนาจมากขึ้นอย่ามีอะไรมาปิดบงังเหตุผลมาปิดบงังความชอบบางชอบอะไรต่างๆมาปิดบงังให้มีสติต้นลุวนเข้าไปกับการกระทาของเราแม่ครูวอาจารย์ก็ช่วยไม่ก็ได้ให้ทวเองอันเชืเ่อแข็งเองการช่วยตัวเองนมันดีกว่าคนอื่นช่วย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 มาเห็นอาการของลูกมาเห็นอาการกนะําไม่ต้องเรียกว่าการไม่ต้อเรียกว่าเวทนาไม่ต้องเรียกว่าจิตไม่ต้องเรียกว่าทํามเลยมาเรียกเป็นสองอย่างเป็นอาการหนึ่งธรรมชาตินั้ง น, นั้นเท่าไปได้เล ย, ยนี้เดียวเมนเครื่องทุ่นเหริงขึ้นมาไม่หนักแต่ก่อนหนักพอไม่เห็นเป็นลูกทาําน้ําทําไม่หนักเลยมันช่วยตรงมันในตัวของมันเออน้ำมันมก็ช่วยน้ำลูกก็ช่วยลูกเขาก็มีสติช่วยเขาอีกอย่ง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 สู้กับความเจ็บเมื่อบันเจ็บไปสู้ความแฉ่เมื่อมรรแฉ่ไปสู้ความตายเมื่อบรนตายไม่ใช่เลยเหมือนดัก บ, บืยที่เขาไปชกก็ฝึกซ่อมปอส่งวนจึงผมมีความสามารถที่จะเอาชนะคู่ชกได้คนมีความสามารถเรื่องใดก็ตทำเสีย ง, งนั้นนั่นให้เราประกอบอาชีพการ ง, งานอาชีพธนาเพราใจในการทำนาว่าจะไม่ยากไมจ่จนที่เป็นพ่อนาร้อยเอร์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 การเปลี่ยนตนก็อยู่ที่เราเนี่เองการเปลี่ยนคนอื่นก็อยู่ที่เราการทักผีนีนบริสุทธิ์ก็อยู่ที่เราไม่ต้องไปขอขายอะอันนี้ก็เพื่พ<ม>อในควางสมกวรเจเวลา